พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่3โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่7มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าก่อนลมหายใจเฮือกสุดท้ายาตั้งใจฟังนะคณนะสัทาายาิโยมโลกูกลาน เห็นครูบาจารย์แล้วก็อบอุ่นงานของหลวงปู่ของเราถึงจะผ่านมาเป็นเวลา11ปีก็ดูๆแล้วก็เห็นศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาจารย์อย่างอบอุ่นอย่างเก่าองค์ที่ผ่านไปก็ผ่านไปหลายๆองค์เหมือนกันนะ่ะแต่ว่าผ่านไปใครล่ะหลวงพ่อคูนน่ล ไปไปไปทีละองค์สององค์นะเออเลก็ยังเหลือครูบาอาจารย์อีกยังมากมายที่รักเคารพของพวกเราท่านทั้งหลายถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกมาพวกเรามาลำลึกถึงหลวงปู่ของพวกเราเป็นเวลาสิบเอ็ดปี ในปีนี้นะแล้วก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยเมื่อหลวงปู่จากไปพวกเราก็ได้สร้างพระเจดีย์ถวายองค์ท่านอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็แปลว่าทำหน้าที่พวกเราทําหน้าที่ดีที่สุดในบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเป็นการเชิดชูบูชาพระคุณของหลวงปู่ พอหลวงปู่เป็นผู้มีคุณูปการต่อโลกต่อลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพวกเราท่านทั้งหลายแต่เมื่อหลวงปู่ยังทรงทาาทรงขันอยู่หลวงปู่ก็ได้ทำอะไรให้กับพวกเราอย่างฝากฝีมือไว้เนี่ยหยุกยาของหลวงปู่จันโสมก็ยังดังระเบิดกระทั่งทุกวันนี้แหละ แล้วก็พร้อมกันศิลธรรมอย่างอื่นหลวงปู่ก็ให้พวกเรามากมายเพราะนั้นพวกเราไม่มีอะไรที่จะทดแทนพระคุณองค์ท่านได้พวกเราจะเนวันหนึ่งปีหนึ่งอย่างวันนี้แหละปีหนึ่งวันที่78วันที่7ที่ท่านล่วงลับดับขันไปพวกเราก็พร้อมกันมาลำาลึกถึงพระคุณของท่าน เพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันพระคุณพกเรามาแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตาที่ท่านได้เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะอุปการะสําหรับพวกเราเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันพวกเราลูกหลานครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษย์ยาวในศิษ ย, ย์ขององค์หลวงปู่จะได้มาพร้อม พร้อมเพียงสามมกคีกันได้จัดงานขึ้นในวันนี้น ะ, ะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นในที่นี้นะกบาบฆราวะครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์กรบผมกระผมจะได้กล่าวสมโภชนิยกถาปารบธรรมให้กับพี่น้องประชาชนจัทธาญาติโยมผู้ใฝ่ในการบุญการกุศล นะโมตัสสะปะคะวะโตปุญญานิปะโลกัตสมิงปฏิฐาโหนติปานินันติติวันนี้เป็นวันบําเพ็ญกุศลปีที่ส1เป็นการทำบุญถวายแด่องหลวงปู่จันสมกิติกาโรอดีตเจ้าวาด วัดป่านาศีดาบ้านนาศีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวันที่ 7-8 มีนาคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันที่7นะเป็นวันครบรอบคล้ายวันมรณาภาพหลวงปู่จันสมและก็เป็นวันที่11 วันนี้พวกเราได้มาลํำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงปู่หลวงปู่มีคุณอุปการต่อพระลูกหลานต่อคณะทธานญาติโยมมากมายแต่พระององท่านก็ได้จุติไปแล้วแต่ว่าการจุติขององคหลวงปู่พวกเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าท่านอยู่ในภพภูมิใดแต่ว่าถึงยังไงพวกเราก็น้อมรับว่า องหลวงปู่เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจแต่จะถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพานอันนั้นไม่มีใครที่จะพูดลพูดได้แต่ท่านเป็นคนเป็นพระที่มีคุ ณ, ณธรรม อ, อ, อย่างมากในจิตใจเพราะว่าเราจะพูดได้ว่าองนั้นได้สาเร็จมักสาเร็จผลแต่ก็พูดได้ แต่ว่าในพระในครั้งพระพุทธเจ้าพระในครั้งพุทธการถ้าว่ามีการโจทกล่าวขานกันขึ้นมาว่าองค์นี้ด่าวอวดหน้าอุตรีมนุทธธรรมแต่ท่านขงพระเนอีอวดจริงจังเพียงแต่ว่าเฮ้ยผมไม่เหมือนตะก่อนนะเดี๋ยวนี้เพียงแค่นี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็เอาไปกลับฟ้องพระพุทธเจ้าเลยนี้พระองค์นี้เขาบอเขาไม่เหมือนเก่าเขาก็คงจะอ้างเองถึง มักผลนิพานแต่นี่พระองค์พระพุทธเจ้าก็เรียกพระองค์นั้นเข้ามาพอเขามาแล้วก็ถามเธอพูดอย่างนั้นจริงไหมพระองค์นั้นว่าจริงครับผมเพราะว่าข้าพระองค์ไม่มีเครื่องความเย่อใจในโลกวัฏฏสงสารแล้วพูดตรงต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็นั่นแหละดูก่อนสงทั้งหลายนี่พระองค์นี้ท่านเป็นพระทหารแล้วนะเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้ว เป็นบทของเราพระองค์ก็นอบบอกรับพระสงฆ์ทางหลายคณะสัตยาติโยมท่านแล้วรูเอออันนี้คือพระหันพระพุทธเจ้ารับอยอแล้วตีประทับแล้วนะแต่นอกจากนั้นลงมาเราก็ไม่เคยได้ยินในพระไตรปิฎกว่าพภาษาในบุตรรับรองพระองค์นั้นเป็นพระหัน์หรือเป็นพระในระดับไหนไม่มีพระสาวกอง์ใด ที่ได้รับรองมีแต่ว่าการพูดสนทนาปารลบกันท่านก็ได้พูดว่าเออองนี้ใครๆว่าปริญาเอกต่อปริญาเอกคุยกันท่านก็จะรู้ได้ว่าอ응ภูมิความรู้เสมอกันท่านก็ยอมรับกันอันนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะอย่างรู้ในเรื่องแต่ละท่านแต่ละองได้อันนี้การพูดทั้งนี้ท้งนั้นก็เป็นการเป็นข้อสังเกตให้กับพวกเราท่านทั้งหลาย สรุปแล้วคือมรรคผลนิพพานในทางพุทธศาสนาหรือมรรคผลนิพพานการประพฤติปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพวกเราท่านทั้งหลายยังคงเส้นคงวาถ้าว่าพวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเราก็จะได้ถึงมรรคผลนิพพานได้เพราะเหตุไรเพราะว่าพระในครั้งพุทธกาลจับไฟก่อร้อนมาถึงยุคนี้พวกนี้เกิดจับไฟก็ร้อนถ้าเราทาความชั่วในยุคนู้น ก็เป็นความชั่วอย่างเก่าถ้าทำมายุคนี้ก็เป็นความชั่วอย่างเก่าถ้าเราทำความดีละ่ะความดีก็คือความดีอย่างเก่ามาทำในคราวนี้ก็เป็นความดีอย่างเก่าเพราะนั้นพุทธศาสนาของพุทธหรือว่าพระธรรมคาสอนของพุทธหรือว่ากรรมดีกรรมชั่วของพุทธอย่างคงเส้นคงวาไม่ไปที่อื่น ถ, showers, ถ้าใครทากรรมดีกรรมดีก็จะตามสนอง ถ้าไทยทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองเพราะนั้นให้พวกเราฟังธรรมคำสอนของพุทธะที่ท่านได้ตรัสไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีตั้งแต่เริ่มแรกที่พระองค์ให้โอวาทปฏิโมกกับภิกษุทั้งหลายว่าสัพปะอักตตังลุกตัตังเสยโยปัชชาตปฏิลุกตัตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทาลงไปแล้ว กรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังค้าว่ากรรมชั่วคำนี้คืออะไรคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วถ้าหากว่าผู้ใดคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วจะให้ผลไม่ใครไม่มีใครอื่นจะเดือดร้อนตนเองนั่นแหละผู้กระทำนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงปู่ของพวกเราเพวกเราจะคิดจะทําจะพูดจริงไหนให้พวกเราสํารวมกายวาจาของพวกเราหรือสํารวง ใ, ใจของพวกเราใจให้ใจให้ใจพวกเราให้นึกคิด เ, เ, เมื่อนึกคิดอย่างนี้เมื่อเราคิดแล้วมันผิดจริธรรมไหมผิดจริยธรรมผิดธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนไหย แล้วก็มาเปรียบเทียบว่าผิดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมในเมื่อเรามาเปรียบเทียบดูแล้วสิ่งไหนที่มันผิดทาคำสอนของพุทธะคือผิดศีลห้าสำหรับศรัทธาญาติโยมคือผิดศีลห้าถ้าผิดศีลห้าแปลว่าผิดแหละไม่ถูกต้องแล้วเพราะศีลห้าเป็นศีลคุ้มครองโลกเป็นศีลคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดำบรร ก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกอี ก, อกต่างหากคือศีลห้าเป็นศีลประจําโลกถ้าพวกเราได้ศึกษาไดเา้เรียนในพระไตรปิฎกหรือในชาดกต่างๆในเมื่อพระองค์เป็นฤาษีชีพายหรือเป็นพระมหากษัตริย์อย่างนี้นะในภบนั้นชาตินั้นพระองค์มีศีลห้าหรือว่าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ไปโปรดหรือว่าไปเทศหรือว่าไปอบรมผู้ที่ เ, เป็นคนที่บาปหนาสาหัสโกงไปกับแนะนําใครมีศีลห้าน ะ, ะแสดงว่าศีลห้าเป็นศีลประจำโลกมาตั้งแต่ดึกดำบรรพแต่นน้นเอาในเมื่อมีศีลห้าแล้วถึงจะไม่มีกฎหมายบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นไม่มีกฎหมายแต่คนมีศีลอยู่ด้วยกันก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพ่าย อ, อะไรเพราะว่าศีล ของพระพุทธเจ้าศินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นศิลตัดตัดรากเข้ารากโคนของความชั่วตัดกิเลสส่วนหยาบของมวลมนุษย์ชาตอาิอย่างหลวงพ่อจะยกตัวอย่างให้ฟัง อ, อย่างศินข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณนีสิกขาปะทางสมาติยามิความแปลและความหมายก็บอกว่าพวกเราอย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราคิดฆ่ากัน ถ้าเราไปคิดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าสามีภรรยาฆ่าลูกฆ่าหลานเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรแต่พวกพวกตัวของเราผู้ไปฆ่าเขานี่ชะจเพราะได้ฆ่าคนอื่นเขาแต่คนที่ถูกฆ่านั่นแหะไม่รู้ว่าใครมาฆ่าเพราะเราคนที่ไปฆ่าเขาไม่ใช่บางทีก็หลบหลีกคล้ายๆว่าอยู่ในที่มืดไปฆ่าเขาเขาไม่รู้แต่เขาเสียใจเสียใจ ถ้าเขามาทำให้กับเราล่ะมาทาให้กับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราล่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีจึงบัญญัติศินข้อที่หนึ่งว่าปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิฆ่าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่า ในเมื่อเรา ไ, ไปฆ่าเขาเขาเสียใจในเมื่อเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันดีไหมอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่2องอธินาทานาเวรมณีปานการไปขโมยสิ่งของของเขาใช่เราไปขโมยสิ่งของของเขาเราก็ดีใจเพราะได้ไปได้ของเขาแต่เขาที่ถูกขโมยนะ่ะเขารู้สึกเสียใจ ถ้าว่าไปเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกค่าไทยอย่างนี้นะไปยังไงเขาก็เสียใจยถ้าเขามาทําให้กับเราล่ะเราเสียใจยไหมเราก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าการขาโมยกันทําให้ชุมชนสังคมเดือดร้อนท่านจังบัดอยากสินข้อที่สองให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอยา่าขโมยกันเนอะอยู่ด้วยกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศินข้อที่สอง ข้อที่สมกาเมสุมิจฉาจาราเวรามณีสามีภรรยาลูกหลานของไข่ของเขาเขาก็รักสงวนหัวแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาละ่ะเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะ น, นั้นต่างคนก็ต่างมีพี่น้องลูกหลานให้เคารพสิทซึ่งกันละกันดีไหมเออนี่แหละอันนี้คือศิ่ข้อที่สมพระพุทธเจ้าบัญญัติถ้าว่า สินข้อที่นี้ถ้าสินข้อนี้ถ้าว่าพวกเราไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วจะยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อนี้ให้เคารพแล้วก็ให้รักษาต่างคนต่างรักษาของใครของเราการอยู่ด้วยการก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างมีศินอันนี้คือสินข้อที่3ข้อที่4ี่มุสาวาทาเทวะมณีข้าพรเจ้าจงลดเว้นในการโกหก ต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าว่าเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขียนเช็คแด้งให้เข า, เาไปต้มตุนบอกอตะกัวว่าเป็นทองคำํำอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็โกหกมากมายครับว่าโกหกคานี้นะทุกวันในโลกทั้งโลกพวกเราอ่านดูสิในสื่อต่างๆโดยมากโกหกต้มตุนหลอกลวงตอแหลกันนี่มากต่อมากอา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลอีกต่างหากนะพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็อย่าไปเชื่อทีเดียวนะเพราะเหไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้ากไม่ทำความชั่วยอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้ค็พวกเราให้สังเกตดูนะถ้าเป็นผููเพื่อนของเราเพื่อนฝูงของเราถ้าว่าผู้ใดก็ตามพูดชอบโตโกหกต้มตุ๋นตอแหล าหาความสัตย์จริงไม่ได้นะคนนั้นให้ให้ระวังไว้เลยพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ไว้แล้วนะอันนี้สีนข้อที่5สุราเมรยามัช่ะประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มเหล้าเหล้าก็คือบีสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียรนะ์แต่บางบางคนโอ๊ะากินเบียร์ไม่เป็นไรไม่ใช่เหล้ามันไม่ใช่นะจะเป็นอะไรก็ตามนะคัญชายาฟินเฮโรอิน จะอะไรก็ตามโคเคนจะมีชื่อและไม่มีชื่อก็ตามถ้าดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วนะ่ะขาดติคือเมามันเมาจนขาดจิแปลว่าอันนั้นสงเคราะห์เข้าในสุราสุราเมระยะมัชักคือดื่มและเสพเข้าไปแล้วขาดติเมื่อคนขาดจิเราทําความชั่วในทุกอย่างนะคะนะคณะสัทธาญาติโยมแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับข้อสุราเนี่ยเป็นเหมือนกับะชะเตอร์ลอยอ ยาครอบจั ก, กรวะวันสินข้อนี่นะ่ะคือว่าทำความชั่วในทุกอย่างเมื่อขาดสติแล้วจะฆ่าใครก็ได้สินข้อที่หนึ่งกระจุยเลยจะขโมยใครก็ได้เพราะขาดสติจะราบประลวงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพราะขาดสติโกหกใครก็ได้เพราะขาดสติเพราะนั่งคนที่เสียหายเกิดความเสียหายเพราะ ข้อสุราตัวนี้นะ่ะมีมากมายถ้าพวกเราได้ศึกษาดูแล้วนะเพราะนั้นให้สำรวมระวังสินห้าของพระพุทธเจ้าอย่างที่น้องพ่อได้พูดว่าเป็นสินตัดรากตัดโคนความชั่วเเพราะนั้นถึงจะไม่มีกฎหมายบ้านเมืองอแต่ว่ามีศินห้ามีสินห้าข้อนี่นะ่ะพวกเราก็อยู่ด้วยกัน ร, ร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะอะรเพราะว่าสินห้าคุ้มครอง วานนั้นสินห้าของพระพุทธเจ้าถ้ามองดูแล้วคิดดูแล้วนะไม่ใช่ของเล็กน้อยนะพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้นี่ยแหละสินของพระพบทุพทธเจ้าะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนี้คือสินคือสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินแต่พวกเราเป็นคราวาสญาติโยมอันดับแรกในหลักของพุทธศาสนาพระพบทุทธเจ้าท่านสอนให้มีการให้ทานเนเสียสละ อันนี้ก็คือส่วนดิดคือเบื้องต้นการอยู่ด้วยกันพ่อแม่ได้ลูกมาก็ต้องเสียสละให้ลูกถ้าไม่เลี้ยงลูกแล้วทายัางไงลูกจะใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงจากนั้นเมื่ อ, เ, อเมื่อเลี้ยงลูกมาแล้วลูกใหญ่ขึ้นมาแล้ว เ, เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็ทดแทนพระคุณของพ่อแม่อีกอต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อีกอไม่ใช่ปล่อยปะละเลยไม่ได้นะพ่อเมียพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตินตนให้สงควรควรรับทรัพย์หมรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือการเป็นอยู่เบื้องต้นของมวลมนุษยชาติการอยู่ด้วยกันต้องมีน้ําใจต่อกันต้องมีทานะคือการเสียสละการเสียสละคํานี้มีห ล, หลายอย่างนะคณศรัทธาญาติโยมคือการทานะคือการเสียสละคือการให้ทานการเสียสละให้ซึ่งกันและกัน อันนี้ก็คือฐานะและก็วิทยาฐานก็คือการให้ความรู้อย่างครูโรงเรียนให้กับให้กับนักเรียนทุกระดับจนถึงปริญญาเอกเนะี่ยอันนี้วิทยาฐานธรรมทานก็อย่างที่ลุงพ่อกําลังพูดทีนี่แหละให้ทำเป็นทาน เ, เพราะว่าให้ในทางที่ถูกต้องอย่าทำสิ่งที่มันชั่วนะนธศรัทธาญาติโยมลูกหลานเนะให้เป็นคนดีเนะ นี่แหละให้เมื่อฟังแล้วให้นาไปคิดนาไปการกรองไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลดูนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปนี่นะมีเหตุผลไหมจากนั้นก็นำไปประพฤติธปฏิบัตินะอันนี้เราว่าธรรมทานอภัอยทานกับเมื่อเมื่อมีคนมาล่วงเกินเราไม่ถึงกับเสียหายมากเราก็เอาให้อภัยไปอันนี้เราว่าอภัยทานนี่แหล ะ, อหละเออ มันมีมากมายหลายหลายอย่างที่ว่าทานทานะ เ, าเป็นการทำทานาในคราวนี้ในในแต่ในการเป็นอยู่ของพวกเรากว่าทานะคำนี้นะมีทั้งอมิตรทานคือการให้สิ่งของดูแลซึ่งกันและกันวิทยาทานความให้ให้ความรู้ธรรมทานให้แนวความคิดในทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ อภัยทานให้ให้อภัยซึ่งกันและกันนี่แหละเรียกว่าอภัยทานแต่นีนมาพูดถึงเรื่องสมาธิเนี่ยแต่เรื่องสมาธิไม่ค่อยจะมีครูบาอาจารย์ได้พูดได้ชี้แจงเพราะนั้นหลวงพ่อเองไปนักสถานที่ใดเรื่องทานก็ดีเรื่องเรื่องศีลก็ดีแต่เรื่องทานเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายพอทาบุญทาทา น, ทา น, ทานกลับเป็นผู้เสียสละได้ง่ายในเมืองไทยของเรานะ แต่เรื่องศีลพอเรื่องศีลเข้ามาให้รักษาศีลห้านะออรู้สึกจะเริ่มยากนะ เ, เริ่มถอยถอยหน้าถอยหลังแต่ก็ยังมีอยู่ออผู้สูงอายุนะแต่เรื่องภาวนาเนี่ยออรู้สึกว่าออไม่ชักจะไม่ชักจะไม่สู้ละเรื่องภาวนาออถือว่าเป็นเรื่องของพระของเจ้าของครูบาอาจารย์เรื่องภาวนา เ, ออเว้นเสียแต่ท่านมาเออภาวนานะออมารวมกลุ่มกันให้นั่งภาวนาแล้วก็นั่งภาวนา ตามที่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวแต่จะให้ทําตามลำพังตัวเองนะั้นโดยมากจะไม่จะไม่สู้จะไม่เอาแต่ตามไม่จริงเรื่องภาวนา เ, นเป็นเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาะคณะสาาัายาธิยอมเรื่องการภาวนา เ, น เ, เราจะไปมองข้ามไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้ประกาศพาทศาสนาคือว่ า, าศาสนาที่เป็นมาได้ เ, เดี๋ยวนี้คือคืออะไรก็คือพระพุทธเจ้าไปภาวนา ไปภาวนา น, นั่งอยู่ที่คโครนต้นโพนี่พวกเราไปประเทศอินเดียจะเห็นที่ว่าพุทธคยาที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ตรงที่ได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ไปนั่งสมาธิตอนหัวค่ํำพระองค์นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะให้ฟังเอาไว้นะกรรมาฐานกูบาอาจารย์องค์ไหนจะเพ่งอย่างนู้น ทําอย่างนี้ให้พวกเราฟังเอาฟังเอาไว้นะแต่ว่าพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าจริงๆที่ทําพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้นะแต่มาสายหลงปู่มั่นของเราหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทนะอันนี้เราก็ฟังเอาไว้แต่ว่าในของในพระธรรมคําสอนของพุทธะจริงๆนะ่ยท่านให้ภาวนาให้ภาวนากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกคร้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกครูบาจารย์ท่านกเเ็เลยเปรียบเพียบให้ฟังชัดๆให้ดูให้เห็นชั ด, ชดเป็นรูปธรรมว่าให้เหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูนะประตูของเรานะเวลาเดินคนเดินเข้ามาก็ให้รู้ว่าคนเข้ามาเวลาคนเดินออกไปเราก็รู้ว่าคนเดินออกไปให้มีสติสัมปชัญญะให้รู้ว่าคนเดินเข้ามา แล้วก็คนเดินออกไปไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องนำตามลมเข้าไปถึงท้องนะตามลมไปถึงปอดแล้วก็ไม่ต้องต้องตามลงไปข้างนอกเพียงแต่รู้ว่าลมเข้าเพียงแต่รู้ว่าลมออกอันนี้แหละคือกรรมฐานนะที่ท่านให้ภาวนาแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่านะกูบาจาร์หลวงปู่เทศหลวงปู่จันสมหลวงตามหาบัวกูบาจาร์ที่เป็นศิษย์ยาวนิศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะ ท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าว่า Father, เรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาเนี่ยมันหลงได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายเออมันหลงเงื่อนได้ง่ายให้สำทับกับพุทธโธด้วยนะเอ่วเวลาหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมทโธพุทโธพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่แหละอันนี้ก็คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นพวกเราจึง ได้นำทมคำสอนของแนวปฏิปทาขององหลวงปู่มั่นถือว่าหลวงเขาจึงบอกว่าสายกรรมฐานสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นบริกรรมพทโพธโธเนี่ยความเป็นมาของคำนี้เพราะนั้นให้พวกเราทุกคนนะกรรมฐานของพระพทุทธเจ้าเดียจะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้แต่ว่าองหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านยอมรับนะยอมรับน้อมรับในกรรมฐานของหลวงปู่มั่น ก็หลวงตามหาบัวที่ท่านไปเข้าไปอยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่นวันแรกหลวงเข้าไปกราบหลวงปู่มั่นพอตอนย่าคำ่ำตอนหัวค่ําอท่านบอกว่ามหามาจากไหนชื่อว่าอะไรท่านก็ถามว่าเป็นมหาบัวอหลวงปู่มั่นบอกว่าเออมหาวิชาความรู้ท่านได้เรียนมาจนได้เป็นมหาเนี่ย เ, เมื่อมาปฏิบัติออกมาปฏิบัติแล้วอย่านำทำคา ความรู้ที่ได้เรียนได้ศึกษามาเนี่ยมาเปรียบเทียบนะเวลาภาวนานโอทีอ่ น, นี้จิตกําลังเข้าเป็นคณิกาอุปจาระอปนาอันนี้เข้ามัชสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประเออเรียกว่าเป็นอเนจังทุกขังนาตาอย่าพึ่งอย่าพิ่งเอามาเปรียบเทียบนะความรู้ต่างๆที่ท่านได้ศึกษามานั่นนะเอาเข้าหูตู้เข้าหีบไว้ใส่ล็อกกุญแจไว้เลยเต่อนนี้ไปให้ท่านภาวนาหายใจ หายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทนะให้ภาวนาพุทธโธเท่านั้นนะอย่างอื่นเอาไว้ก่อนในเมื่อท่านจิตใจเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ขึ้นมาแล้วมันจะออกมาเปรียบเทียบกันเองเออในบทนั้นๆแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงการเวลาให้ภาวนาพุทรโธอย่างเดียวนะอันนี้ลหะคือครูบาอาจารย์ที่ท่านหลวงตามหาบัวที่ท่านแนะนาแต่ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่า เราก็ศึกษาในพุทธประวัติเวลาหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็คือเราทำมาแต่มันเสื่อมท่านว่านะอพอปฏิบัติปาปแล้วก็เสื่อมแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เสื่อมแล้วก็ขึ้นมาเอ๊ะทำไมใจของเราจึงไม่มันไม่อยู่มันไม่เป็นสมาธิตลอดไปมันทํำไมอพอต่อมาก็ไปเสื่อม ก่อนที่จะเข้าไปหาหลวงปู่มั่นแล้วก็เสื่อม เ, อเสื่อมจากสมาธิแต่พอหลวงปู่มั่นบอกตอนนั้นตอนนั้นท่านก็เลยตั้งตั้งต้นใหม่เอาเถอะข้าพเจ้าเราจะภาวนาพุทโธเท่านั้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทุทเราจะไม่ให้เผลอแต่ละวันคือตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยว่าจะไม่ให้เผลเอไม่ให้จิตหลุดออกจากพุทโธ เวลาก้าวเดินขาขวาพุธขาซ้ายโถเวลาอยู่อยู่นิ่งกําหนดลมหายใจเข้าพุธหายใจออกโถเวลาไปปัดควาดเกวี่ยงขวาพุดเหวี่ยงซ้ายโถไปบินธาบาัตขาขว า, ข, าขวาขาขวาพุธขาซ้ายโถมีพุดโถอยู่ในทุกอริยาบทท่านว้าโอโหงานหนักมากนะที่ว่าเราได้ทํางานทางโลกมาแบกหามอะไรต่างๆนั่นอนะ่ะอย่าไปคิดว่ามันงานหนักไหนะงานบังคับ ให้จิตใจอยู่กับพุทธโธเนี่ยหนักกว่านั้นท่านวันหนักมากๆเลยเวันหนึ่งวันสองวันสแต่พอถึงวันที่4เท่านั้นะรู้สึกว่าจิตใจเข้าเข้าเข้าล็อกเข้าลอยเท่านี้จิตใจรู้สึกว่าได้รับความสงบมีความสุขอย่างมากเ่จากนั้นท่านก็ออพอจิตใจเขา้าสู่ความสงบได้เท่านั้นแหละท่านบอก อ, อืจิตใจนิ่งสงบไม่เสื่อมนะ ท่านบอกกับตนเองอย่างนั้นเลยไม่เสื่อมออจากนั้นองค์ท่านก็ได้ภาวนาเพราะนั้นท่านจึงน้อมยอมรับว่ากรรมฐานของหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้นถูกต้องออสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านเพราะนั้นขาขอให้พวกเราที่เป็นสิทธิ์ยาวนิวน์แนวแถวสายองค์หลวงปู่มั่นให้พวกเราฟังเอาไว้นะจุดนี้นะแต่องค์อืนน่นแนะนาสั่งสอนอย่างอื่น โรคพวกเราก็ฟังเอาไว้แต่ว่าเมื่อเราจะทำอะไรเราต้องทำให้จริงจังและจริงใจถ้าว่าพวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนากรรมฐานไหนให้เอากกรรมฐานนั้นยึดมาเป็นให้เป็นหลักให้มั่นคงอันนี้คือสมถะคือทำจิตใจให้สงบจิตใจที่ก่อนที่จะเป็นไปอย่างอื่นได้ไม่ต้องสงบซะก่อนนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ เออคือจิตใจมันต้องสงบซะก่อนเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็จะเป็นปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้าว่าจิตใจยังไม่สงบนะเออเมื่อเรามาพิจารณาก็เป็นปัญญาที่ละเลืนเลือนเลือนเลือนลางลางเป็นสัญญาเป็นสังขารจะมากกว่าแต่ถ้าว่าเราทําจิตใจให้สงบแล้วนํามาพิจารณาพิจารณาอะไรหลวงปู่มั่นท่านพิจารณาพิจารณาร่างกายนะอย่างองค์หลวงตาเนี่ยท่าน ชัดเจนท่านบอกว่าเมื่อภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสูงมันสงบจริงๆท่าเนนะเวอร่ะนั่งภาวนาทั้งคืนไม่ออกเลยเอพอนั่งตั้งแต่หัวค่ำจนถึงยันสว่างอพอออกมาเนี่ยที่แรกไม่เคยไม่เคยนั่งทั้งคืนเลยพอออกมาเนี่ยกลุกขึ้นมาเลยล้มตูมเลยเพราะว่ามันขามันเป็นเน็บตัวเองไม่รู้าขาเป็นเน็บเออล้มตูมเลยต่อมาก็เลยเออก่อนที่จะออกจากสมาธิเนี่ย เวลาเรานั่งทั้งคืนเราต้องจับขาเหยียดซะก่อนแล้วก็เดิบปลายนิ้วเท้าซะก่อนยังค่อยขยับท่านนี่แหละอันนี้ก็คือการนั่งภาวนาของครูบาอาจารย์ท่านนั่งเอาจริงๆนะท่านเอาจริงๆเวลาท่านนั่งคือตั้งจิตใที่ตานไว้ข้าจบข้าพรเจ้าจะไม่ให้เผลนะ่นี่แหละจากนั้นเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วหลวงปู่มั่นท่านก็ถามนะอยู่อยู่กับท่านเออเป็นไงมหาภาวนา หลวงตามหาบวกโอ้ภาวนาจใจของขา้ากับผมสงบมากเลยไม่ได้ออกไปทางนอกเลยเน่งมากมีความสุขในสมาธิหลวงปู่มั่นท่านบอกเอ้ยมหาในเมื่อจิตสงบแล้วถอนออกจากความสงบนะให้ถอนออกมานะให้พิจารณานะพิจารณาร่างกายนะเกษาผมโลมาขนขาเล็บทันตาฟันตะโตแต่ตโจหนัง จะพิจารณาอะไรก็ได้หรือจะพิจารณาภาพรวมก็ได้หรืออันใดอันหนึ่งก็ได้นะให้ภาวนาให้ พ, หพิจารณานะเหลวงตาหลวงปู่ม่านบอกแต่ในหลวงตามหาบัวจังก์ออกไหมมันไม่ยอมออกดิเนเพราะมันอยู่ในความสงบมันมีความสุขในความสงบพเพราะจิตในความสงบมันติดนะธ่านวติดในความสงบนะมันไม่ยอมออกมา จะถอนออกมาเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในอยู่ในล่มอยู่ในห้องแอร์และให้ไปทำงานอยู่นอกห้องมันอากาศมันร้อนเออมันไม่สบายมันจะอยากมีแต่อยากเข้ามาอยู่ในห้องแอร์ตลอดเออผลี่สุดมันไม่ยอมออกประกาบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นไงมาหามันออกไปไม่ออกครับมันยังเออมันติดในความสงบครับมันไม่ยอมออก หลวงปู่มัน่นต้องออกนะถ้าไม่ออกไม่เห็นผลนะเรื่องการภาวนานะเราจะอยู่ในความสงบอย่างเดียวไม่ได้ต้องบังคับให้มันออกนะถึงมันจะไม่อยากออกก็ต้องบังคับให้มันออกให้ออกภาวนานะเออแต่มันก็ยังไม่ออกอีกท่านวันโอ้หลวงปู่มัน่นแต่เพิดเลยท่านบอกว่าเนี่เ อ, อความสุขในสมาธิเนี่ยเหมือนกับเนื้อติดอยู่ในไหล่ฝันเท่านั้นเองมันมีรสมีชาติอะไรเพียงนิดหน่อยเท่าเองต้องออก ต้องบงังคับให้ออกนะเอ่อทีนี้หลวงปู่มั่นเอาอย่างแงาางรงทำบังคับตัวเองก็เลยมาบังคับให้ออกเนี่ยให้ออกพิจารณาพอมาพิจารณาเท่านั้นแหละโอ้โหทำไมเราจึงเป็นนอนตายอยู่ในสมาธินอนอยู่เฉยเฉยไม่ได้หาเงินหาทองอะไรเราจะมีสมบัติขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเราเป็นนอนอยู่อย่างนั้นนี่แหละหลวงตาท่านก็เลยเห็น <c oughs> เห็นคุณเออ <c oughs> เห็นคุณในการพิจารณาในเมื่อพิจารณาแล้วทีนี้ มันออกถินี่ยมันออกไปหาเตลิดเปิดเปิงตะลังเปิงเปิดถิ่นจนนอนไม่หลับเพราะมันเห็นคุณเห็นคุณในการในการหาเงินในในการพิจารณาการกรองไตตองร่างกายสังขารเปดำเนินจ้า ง, านนางทุก ข, งขังอนะครับเป็นอสุภะปฏิกูลจิตใจของเราจะไปทําไมไปลุ่มหลงงัวเมาติดไปหลงกับร่างกายสังขารการเป็นอยูนมันมองไปเห็นหมดถิ่นเอเถอ ท, นทีนี้มันมอง พ่อมันออกไปมันออกไปจริงๆท่เองมันไม่ยอมเข้าอพอที่สุดไปกราบหลวงปู่ท่านข้อการพ่อแม่ครูอาจารย์กับผมเอออกจากสมาธิแล้วพิจารณาแล้วมันไม่ยอมแล้วแหละกับผมนอนไม่หลับมาได้หลายคืนเลยหลวงปู่ท่านก็มองเห็นเลยมองดูสายตาคนนอนไม่หลับใช่ไหมละ่ะตาแข็งนะมันจะเป็นบ้าท่านเองหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเอะจะทําอย่างนั้นได้ยังไง มันต้องบงังคับให้เข้าสมาธิให้ได้สิในเมื่อพิจารณากับพิจารณาในเมื่อเข้าสมาธิก็ต้องเข้าสมาธิอแล้วจะไปพิจารณาเตลิดเปิดเปลืองอย่างนั้นได้ยังไงเดี๋ยวเป็นบ้านนะมันหลงสังขารบ้านสังขารบ้านหลงสังขาร น, นั่นนะ่ะนะนี่แหละโย่ใกล้ครูบาอาจารย์ท่านหลวงปู่มั่นท่านแนะนําสังส่งสอนอย่างนั้นหลวงตามหาบวชโออพิจารณาเตลิดเปิดเปิงไม่เป็นผลดีท่านก็บงังคับให้สมาธิโอ้ทีนี้ ตอนที่จะบังคับเข้าสมาธิจุดนี้ตกรเราเคยสมาธิเข้าสมาธิได้ง่ายแต่ที น, นี้มันมันไม่ได้อยากจะออกไปอย่างเดียวต้องบังคับให้บริกรรมพุโทโธอย่างเดียวออพอจากนั้นจิตใจเข้าสู่ความสงบได้ท่านจะรู้ได้ว่าโ อ, อ, อ้สมัติและวิปัสสนาเป็นของคู่กันสมัตคือทำจิตใจให้สงบเราปราชาจากไม่ได้ วิพัฒนาคือการไก่ตองไตรตองด้วยเหตุและผลหาเหตุผลเราหนีออกจากนี้ไม่ได้เพราะนั้นทั้งสองอย่างเหมือนกับการนอนเราบอการพักผ่อนนอนหลับกินอาหารทานอาหารเสร็จแล้วพักผ่อนนอนหลับเสียเวลาทู่ทำงานอย่างเดียวไม่ได้ใช่ทำงานอย่างเดียวมีเวลาแต่ถ้าว่าเราไม่ได้มีการพักผ่อนไม่ได้ทานอาหารเราจะทำยังไงทีนี้ ผลในสู่ก่อนไปไม่รอดอีเหมือนกันคนไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ทานอาหารเพราะนั้นการพักผ่อนการทานอาหารและพักผ่อนแล้วก็ฝนเมฆให้คมจากนั้นก่อนนำไปพิจารณาผมพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องมาพักผ่อนพอพักผ่อนเสร็จแล้วก็พิจารณาอันนี้คือแนวแถวที่สายหลวงปู่มั่นที่องค์หลวงตาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวคนนั้นขอให้พวกเราคณะภ์ัตยาติโยมนะผู้ปฏิบัตินะ องค์หลวงตาแนะนําสั่งสอนอย่างนี้เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายสําหรับผู้ปฏิบัติแต่ถ้าว่าจะทํำยังไงจิตใจจึงจะสงบนะจุดนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนกันแต่เราฟังดูแล้วก็เนี่ยหลวงตาบอกว่าบังคับให้ยึดกรรมฐานอะไรกรรมฐานหนึ่งให้อยู่กับพุทธโธอย่าปุ่งพุ่งไปทางอื่นแต่หลวงพ่อเองขอแนะนําบอกกล่าวนะที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติมาได้ผลนะ เออแต่ว่าหลวงพ่อเคยพูดไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่หนเลยล่ะศรัทธาญาติโยมหลายๆคนบางทีพูดแล้วอาจจะหลงลืมเออหลวงพ่อก็บอกขอแนะนําว่าเออหลวงพ่อภาวนาดูแล้วมันได้มันเห็นผลเร็วนะคือเออเวลาเราภาวนาเวลาหายใจเข้าให้บริกรรมให้ให้เรานับนะนับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับส4มสห้าห แต่ไม่ต้องอย่าไปแต่งลมให้เป็นธรรมชาติแต่เวลาหายใจเข้าให้นับหนึ่งนับสองจนถึงร้อยถ้ามันไม่เผลอนะถ้ามันเผลอจะไป น, นับต่อนะถ้าไม่นับไม่ถ้ามันเผลอขึ้นมาแล้วให้กลับมานับหนึ่งใหม่อีกเราเราจะได้รู้ว่ามันเผลอที่ตรงไหนมันเผล่ง่ายมันมันเผลอยาวขนาดไหนและตั้งจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นอีกนับอีกแต่มันเผลอมันเผล อ, อยังไง เวลาหายใจเข้า น, นับ1น3หายใจรับเข้าเนี่ยเป็นเลขขี้1่หายใจออกคู่2หายใจเข้าขี้่า้าหกเสรุปแล้วก็คือขี้คู่ขี้คู่คี้คู่ไปถึงร้อยนะไม่เผลอแสดงว่าสติของเราดีนะไม่เผลอแต่โดยมากมันเผลอนะกลับไปใด้หตุทดลองดูนะคณะสัทธาญาิโยมหลวงพ่อ เคยมาทํามาแล้วมั่นใจจึงได้มาแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราพอไปนั่งเสนี้พอหายใจเข้ามันจะเบลอเบอซะก่อนพอเบลอเสร็จแล้วเสนี่มันจะคู่ขี้นะไม่ใช่ขี้คู่นะเสร็นี้นะเออในเมื่อมันเออมันมันคู่ขี้เนะี่ยมันตรงไหนนับไปถึงยี่สิบมันคู่ขี้แนละ้วต้องกลับมาหนึ่งใหม่อีกเออล้วตั้งท่าใหม่อีกทําไมมันเผลอวะเออแต่นี้ยพอมันเผลอบ่อยยังไม่ นับไม่ถึง1 0 2ยมันเผลอแสดงว่าเราอย่าไปช้าลใจนะนันน้นละคือสติเราขาดเผลอเผลอเราเป็นอัลไซเมอร์ได้ง่ายงฮะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนั่นนี่คือวิธีการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติการทำสมัตถธทจรจิตใจให้สงบนะคณะสัทยาญาิโยมลูกหลานทุกคน น, ะนี่แหละวิธีการทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง จ, จิตใจนิ่ง เพราะนิ่งมันมีหลายหลายระดับนะในหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็าว่าคณิกะคือทำจิตใจให้สงบชั่วคู่ชั่วขนาดเรียกว่าคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิคือจิตใจของเราเป็นสมาธิใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรสติเราทันทันจิตใจของเราเรานึกคิดเรื่องอะไรหลวงพ่อเลยตั้งใจว่าไม่ใช่จิตสงบอันนี้จิตใจอยู่ จิตอยู่อยู่คล้ายๆว่ายวอยู่ในคอนโทนแต่ท่านก็บอกว่ า, วานี่คืออุปจารสมาธิเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจิตใจที่ไม่ไม่ออกนอกรูนอ ก, ก, นอกทางจิตใจอยู่ในคอนโทนกําหนดให้อยู่พิจารณาอะไรมันก็อยู่ในจุดนั้นในเราอุปจารสมาธิอปป น, นาสมาธิจิตใจนิ่งสงบลงไปเป็นเอกเทศเรานั่งอยู่นัสถานที่ใดจะไม่ได้ยินเสียงนะ เสียงฟ้าร้องเสียงรถเสีย ง, งราเสียงอะไรไม่ได้ยินว่าร่างกายของเราอยู่นักสถ า, านที่ใดไม่รู้รู้แต่ว่าสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันหนึง่งจิตกับจิตจิต ก, กับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตเน่งจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอนันใดจิตเป็ น, อ, น, นอันนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่แหละเพียงจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเท่านี้แหละคณะสัตธาจติโยมลูกหลานทุกคนนะ เราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันชัดเจนเลยท่นี่ในเมื่อร่างกายแตกตายสลายลกคนเอาไปเผาไฟทิ้งแต่ดวงวิญญาณคือใจดวงนั้นล่ะที่เป็นเอกเทศน่ะมันจะไปเกิดปฏิสนธิในพบภูมิต่างๆจะเห็นได้ชัดไม่ใช่พระโสดาสกทานาคาอรหรันต์หรอกเพียงจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเท่านั้นล่ะเราจะรู้ได้ว่าร่างกายเป็นอันหนึ่ง จิตใจเป็นอันหนึ่งหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าร่างกายเหมือนกับรถนะเมื่อจิตใจรวมสงบอย่างนั้นแล้วนะจิตใจเหมือนกับรถนะลูกหลานคณะท ศ, าศาัทยญาติโยมนะจิตใจเหมือนกับคนขับรถร่างกายเหมือนกับรถร่างกายเป็ น, ปนรูปประธรรมเหมือนกับรถแต่จิตใจคือนามธรรมเหมือนกับคนขับรถในเมื่อรถมันหมดสภาพซเฟอร์ก็จะต้องออกจากรถไปหารถคันใหม่นี่แหละคนเราคือ เมื่อรถหมดสภาพคือรถตายให้เขา ร, ร, รถตายมันหมดสภาพมันใช้เป็นานานๆเข้าไปมันก็แก่นะเนี่ยเหมือนกับเราเห็นเคยรถเนี่ยแต่แต่ก่อนเนี่ยรถของเรามาใช้มานานแล้วไปไปทิ้งไว้ในพงหญ้าใช่ไหมละ่ะแต่แต่ทุกวันนี่ไม่ได้ก็ เ, เอาไปชําแหละเอาไปขายเหล็กทั้งหมดเลยเขายชิ้นส่วนทั้งหมดเลยแต่สมัยก่อนพอรถอใช้มานา น, านๆเขาไปทิ้งไว้พงหญ้าโจโซฟอร์ก็ไปที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะ ก็เลยเพราะมันหมดสภาพแล้วหมดที่จะซ่อมแล้วเครื่องมันก็พังหมดแล้วมันเสียหายแล้วเพราะมันแก่นี่ก็เหมือนกันร่างกายของเร า, าพวกเราใช้ไป น, นานๆ น, นะอายุ6 0 7 0เจตาฝ้า ฟ, า, ฟางหูตึงหนังเหี่ยวฟันหลุดผมงอกมันมีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายความแก่เพราะที่สุดไปไม่รอดจะต้องทิ้ง พอทิ้งในะร่างกายของใจของเราออกจากร่างนะั้นะทีนี้นะออกจากร่างกายในตอนที่ออกจากร่างกายจุดนี้แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเมื่อเราออกจากร่างกายเนะี่ยเรามีทุนนะซับหรื อ, อยังให้ถามตัวเองสิเรามีทุนหรือยังถ้าว่าเราออกจากร่างกายไม่มีทุนไม่มีเงินเราออกไปอาจจะไปเกิดอาจจะตกต่ําก็ได้ทีนี้ ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ช้างมา้าโวควายเป็นสัตว์ได้ทุกประเภทไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์อย่างเดียวไม่ใช่นะเราเกิดมาเป็นคนรวยจะรวยอย่างเดียวไม่ใช่นะถ้าเราไม่ประกอบคุณงามความดีไม่สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วเราพร้อมที่จะตกต่ำได้ถ้าเราทำกรรมชั่วในขณะที่เราเมีเงินคาทรัพสมบัติไปจ้างค่าคนบ้างไปทาสิ่งที่มันไม่ดีคือผิดชินห้าพูดไ ง, ไง่าย ถ้าใครก็ตามไม่มีศีลห้าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าไม่รับรองไม่รับรองในบุคคลคนนั้นถ้าคนใดมีศีลห้าเนี่ยพระพุทธองค์รับรองว่าคนนี้ต้องไปทางดีนี่แหละใ น, นเมื่อเราออกจากร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลห้าอย่างที่ว่านี่เราก็ต้องไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนะอาจจะเป็นเกิดเป็นช้างมา ว, วกวายหมูหมาเป็ดไก่ได้ท้งนั้นเพราะนั้น ท่านจึงให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเอาไว้สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องนั้นให้คิดทำพูดแต่สิ่งที่ดีในเมื่อเราออกจากรถคันนี้แล้วนะ เ, เราก็จะไดะ้บุญกุศลทั้งหลายที่เราได้สังสมบุญ เ, เข้าสู่จิตใ จ, ใจพวกเราจะไปเกิดในภพภูมิใดบุญกุศลก็จะเกื้อกูลหนุนเราเไปเกิดในภพภูมินั้น นี่แหละอันนี้แหละในหลักธรรมคาสอนของพุทธะไม่ใช่ว่าตายแล้วสูญนะข้าศรัทธาญาติโยมตายแล้วเกิดอีกอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาอย่างที่วาดเพราะพระเทเจ้าไปค้นคว้าศึกษาตําราในตํำรับนี้วิชาความรู้นี้ที่โคนต้นโพลพระองค์นั่งคัตสมาธิตอนหัวค่าพระองค์พอพระองค์พอพระไทยใจของพระองค์กําหนดลมหายใจแล้วพระองค์ได้รับความสงบจิตใจพระองค์สงบนิ่งพอสะกด พอจิตใจสงบนิ่งเท่านั้นแหะพระ อ, องค์ระลึกชาติผลหลังได้ครับปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้เนี่นี่แหละอันนี้แหละคือพระพุเทธเจ้าที่ท่านได้ตดรัสรู้ในวันเดือนหกเพนนนั้นแต่นั้นพระ อ, องค์ยังสอนวิชาสมาธิให้กับสิทธิอนุสิต ท, ทั้งหลายเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นไม่ว่าองค์ไหนนะไม่ว่าหลวงปู่เทศหลวงปู่อาจารย์สมของเราหลวงตามหาบัวหลวงปู่ขา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสิทยิ์ญาตุสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นนะองค์ไหนที่หลวงพ่อเคยได้พบเกือบทุกองค์พ่อหลวงพ่อนี่บวชมานานได้เกิดมานา น, ล, ล, านลูกนานและก็สอะะแสวงหาครูบาอาจารย์ได้เข้าไปกราบเกือบทุกองที่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคที่เป็นสิทยิ์ญาตุสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นนะไม่มีองค์ไหนที่บอกว่าตายแล้วสูญนะ ตายแล้วไม่ได้เกิดดีหรอกไม่มีบอกองคเดียวทงบอกทั้งอย่างเดียวตายแล้วเกิดเพราะอะไรเพราะท่านเชื่อในการประพฤติปฏิบัติของท่านอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นละ่ะจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครมันชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองเอออันนี้ร่างกายสังขารนี่ยแต่ตายสลายลงสู่ดินน้ำลมฝอยแน่แต่ส่วนนามธรรมตัวนี้นะ ต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจตธาญาติโยมทั้งหลายนะอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปในการสาะแสวงหาทรัพย์ก็ใช่ควรจะสาะแสวงหาทรัพย์แต่บางคนคิดว่ามีการสาะแสวงหาทรัพย์เนี่ยเลิศประเสริฐที่สดุดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าดีกว่าในการสาะแสวงหาทรัพย์ใช่ร่ํารวยมากก็ดีแต่หลวงพ่อก็เห็นด้วยนะความร่ํารวยแต่ว่าเราจะมุ่งหวังแต่ความร่ํารวยอย่างเดียว ไม่ได้ฝังบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนะมันไม่ถูกนะหลวงพ่อจะเปรียบว่าวพูดให้ให้ฟังว่าเปรียบเทียบให้ฟังว่าเงินคำทรัพย์สมบัติที่เราหามานะ่จะเป็นร้อยล้านพันล้านก็เถอะส่งเราถึงโรงพยาบาลนะพวกเราคิดดูสินึกดอนดูสิคนที่รวยๆเนะี่ยส่งโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลจะเป็นคลินิกจะเป็นที่ไหนก็ตาม พยาบาลเขากัรักษาหมอรักษาอย่างเต็มที่พราะเขาได้เงินใช่ไหมเอาเท่าไหร่ให้ทั้งหมดเพื่อรักษาชีวิตของเราแต่เรารักษาอยู่ในโรงพยาบาลพอที่สุดหมอก็ยอมแพ้ถึงจะให้เงินมากขนาดก็เอาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันหมดสภาพ น, ะนี่แหละหมอเงินนส่งถึงถึงส่งถึงพวกเราถึงโรงพยาบาลในเมื่อหมอหมดหมดความสามารถ เออเราก็ร่างกายเราก็ตายพอตายเจริญาติพี่น้องก็เอามาที่ไหนญาติพี่น้องถึงจะรักขนาดไหนรักพ่อแม่ปู่ย่าตายายขนาดไหนสามีภรรยารักขนาดไหนแต่สง่สงพวกเราถึงเมร์อ่าให้พวกเราคิดดูสิป่ะเนี่ยเสร็จแล้วขอมาบําเพ็ญกุศลพอบาเพ็ญกุศลเสร็จแล้ว ก, ก, สวก็ส่งถึงเมร์พอถึงขึ้นเมรแล้วก็อยู่หน้าเตาพวกเราก็ไปวางดอกไม้จันทร์ เออพ่อแม่เอ้ยปู่ย่าตายายสามีภรรยาลูกหลานเอ้ยที่คนนั้นจากไปเออเอาเถอนนะท่านทางหลายท่านได้ทำให้กับข้าพเจ้าสิ่งไหนก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้กับท่านแล้วก็ข้าพเจ้าก็ดีได้ทำอะไรให้กับท่านขอให้ท่านอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเน้อขอให้ท่านไปดีอให้ท่านมีความสุขใจเน้อข้าพเจ้าเนี่ย โอ้โหสิกรรมให้กับท่านทุกอย่างพอจัดแล้วก็วางดอกไม้จันทร์พอวางดอกไม้จันออกมานั่งพอออกมาดั่งเสร็จแล้วสิเนี่เขาก็ใสเข้าไปในเมนใช่ไหมล่ะใสเข้าไปกับไฟจุดเลยสิเนี่แต่นีนะ่ะพอเข้าไปในเวนตัวเองสิเนี่อัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเรา นอกจากบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาเท่าไหร่นั่นแหละบุญกุศลนั่นแหะนะจะเป็นเพื่อนสองของเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าเราไม่ได้ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลนะบาปอกุศลจะเป็นเพื่อนสองของเราจะพาเราไปสู่ตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ทิรฐิฉันไปได้ในที่ไหนในได้ทางนั้นเพราะอไรเพราะกรรมชั่วพาไปถ้ากรรมดีพาไปนะี่มีแต่ความสุขความเจริญ เออนี่แหะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนี่นะถ้าหากว่าเรามีประกอบแต่คุณงามความดีไปจังสถานที่ใดมีแต่ผนยกย่องเชิดชูมีแต่ได้เงินมีแต่ความสุขความเจริญในวงศาสกนายาดในญาติพีน่นอ้องมิแต่หายถ้าว่าเราทํากรรมชั่วที่กรรมที่ไม่ดีเนี่ยไปที่ไหนเขามีแต่อยากจะจับเราเท่านี่จะไปเข้าคุกเข้าตลางเเผอิจะโทษประหารอีกต่างหากพรอะไรเพราะอะไรเพราะเราทำกรรมชั่วน ว่า น, นกรรมชั่วกับกรรมดีมันให้ผลต่างกันเนอะนี่แหละถึงข่าวนั้นละ่ะผลข่าวสุดท้ายนั่นแหละข่าวใครเช็คจะเช็ค ด, ดูว่าเช็คงบดุลว่าในภพนี้ชาตินี้ข่าได้กําไรหรือข่าขาดทุนนี่แหละข่าวนั้นละ่ะเข่าวครั้งสุดท้ายนั่นแหละหายใจเฮือกสุดท้ายนั่นแหะเราขาดทุนหรือเราได้กําไรเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในภพพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่เรารักเคารพนับถือเริ่มใส่ท่านไม่จะสอนให้พวกเราประกอบคุณงามความดีตายแล้วไม่สูญเน่อตายแล้วเกิดอีกนะเน่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะ่านี่แหละให้พวกเราฟังเอาไว้น ะ, อ, ะอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าปุญญานิปลโลกัจสมิงปฏิฐาโหนติปานีนัง บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าในเมื่อบุคคลมีบุญอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขกายสุขใจไปนัดสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะบุญคุ้มคลองในเมื่อออกจากโลกนี้ไปบุญก็จะคุ้มครองพวกเราถ้าว่าพวกเราตัดกิเลสได้ก็เป็นพระอรหันต์ถ้าตัดกิเลสไม่ได้เป็นพระอนาคามีตัดกิเลสเป็นบางส่วนก็ได้ เป็นพระอนาคามีอยู่ชั้นผมอมถ้าหากว่าเราเป็นพระโสดาบันก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเรายังเป็นผุุ้ชนแต่บุญกุศลพวกเราได้ทําไว้กับไปสู่สวรรค์ชั้นชั้นต่างๆถ้าเราทํากรรมชั่วนกรรมชั่วจะพาตกต่ำนะคณะตนะถาญาติโยมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านวันนี้พวกเราได้มาร่วมมารวมกันสร้างบุญสร้างกุศล ลำลึกถึงองค์หลวงปู่ของพวกเราหลวงปู่พวกเราจากไปได้11ปีแต่ก็อยู่ในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสำโมทนิยกถามากมายหลายรสหลายชาติให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนาไปคิดกันกลองไตรต้องที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนะแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัต จะเป็นสมบัติของพวกท่านทั้งหลายนะไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีแต่ผูกชี้ให้ดูนะผิดศีลห้ามันมีทุกอย่างนั้นนะสมาธิมีหลายระดับนะคณิกาอุปจาระอ ป, ปนานะาให้พิจารณาวิปัสนาอย่างนี้นะนี่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็ชี้จุดจบชีวิตของเราถึงจงมั่งมีสีสุกเงินคำทรัพย์สมบัติส่งถึงโรงพยาบาลญาติพี่น้องรักขนาดไหนส่งถึงเมน จากนั้นก็เป็นอัตหิอัตนโนนาโถต้นแลเป็นที่พึ่งของตนออนอกจากบุญกับบาปท่านอาจจะเป็นเพื่อนสองของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ชีวิตของพวกเราเดี๋ยวนี้เรามีอายุเท่าไหร่แต่หลวงพ่ออินเนี่ยปี12บสองวันที่27เมษานะคณะัาาทธ า, าติยมนะ เออถ้าว่าผู้ใดจะไปกินข้าวต้มขนมกับหลวงพ่อไปได้เลยเดือนเดือ น, อนหน้าเลยละเดือนมีนาณ์เมษาเป็นวันเกิดของหลวงพ่อแต่หลวงพ่ออินที่อยู่ไปนานสักเท่าไหร่หลวงพ่อไม่มั่นใจเลยนะหายใจเข้าไม่หายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ฟังเอาไว้ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่นะขอให้นั้นพนั้นการกล่าว